่านสาธุชนพุทตบริษัททั้งหลายสาหรับวันนี้ก็คงพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวชชันดอนชาดกต่อไปความมีอยู่ว่าเมื่อชูชกทูกสุนัขไล่เนื้อของพราญเจตบุตรขับไล่แล้วก็ขึ้นมาอยู่อยู่บนคบไม้ ตอนนี้แกก็นึกถึงพระเวสสันดรขอพระเวสสันดรจงเป็นดิพึ่งเป็นนั้นว่าลีลาขนโ ช, ชกนีเป็นลีลาที่มีความฉลาดมาก <c oughs> แม้ว่าจะเป็นขอทานก็เป็นขอทานฉลาดการขอที่ไหนวาทะของแก่สามารถจะกล่อมใจคนอ่อนลงมาได้ เป็นนั้นว่าขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าฝ่ายพรานเจตบุตรผู้มีหน้าที่รักษาประตูป่าได้ติดตามเสียงสุนัขมาจนใกล้ก็ได้ยินเสียงสเนียงรำพันของโฉดชกเข่าจึงได้คิดว่าเจ้านี่มีเจตนาร้ายมาถึงนี่คงจะตามมาขอพะนามัสี เออไม่อย่นั้นก็ขอต้องสองกุ ม, มานเป็นแน่แต่ความจริงความคิดของแกนี่ก็ตรงจุดเราควรจะฆ่ามันเสียให้ตายคิดแล้วก็ยกธนูนาวขึ้นพร้อมที่จะพร้อมกันนั่นก็ได้ข้อคู่ไปว่าไม่ให้พรามจันไรกูจะไม่ไว้ชีวิตมึงแล้วคราวนี้ สำหรับถูชก ค, ความจริงเป็นขอทานแต่ขอทานที่ฉลาดจึงไม่ห้ามปรมาวิชาก่อนชาก่อนฟังข้าก่อนก่อนเรียค่ากันเนี่ยมันก็ควรจะพูดกันเสีก่อนพอเดี๋ยวก่อนจะยิงจะฆ่าเน่ะฉันไม่ว่าเต่ฟังเรื่องกันดูก่อนว่ามันควรจะฆ่าหรือว่าไม่ควรฆ่าควรจะให้ชีวิตหรือวควรจะเปิดชีวิต เมื่อพูดทักทานดังนี้แล้วยังพูดต่อไปว่าท่านพรานไพยว่าท่านพรานไพยจุนอย่าใจเร็วด่วนได้จะเป็นการทําลายให้เสียประโยชน์ลาบใหญ่จะมาถึงท่านแล้วทําไมท่านถึงทำลายลาบนั้นเสียขอท่านพรานยงรัทโนขุนเจ้าเก็บเท่าที่ไว้ซิก่อน เรานี้มีดีไม่ใช่ว่ามีเจตนาร้ายเราเป็นราชทูตมาจากกรุงนครสีพี <c oughs> ฟังดูฟังวาทั้งแก ด, ดูว่าเวลานี้พระเจ้ากรุงสนชัยให้เราเข้าไปเฝ้าทูลเชิญพระเวสสันดรสนิทกลับเมืองแมแค่เก่งไหม เพราะว่าพมานดาของพระองค์นั้นทรงพระกันแสงเชิดจนที่พระเนตรสุดสมใกล้จะเสียไปแล้วภายในไม่ช้ารัช <c oughs> ตลอดจนั่งทาประชาทรางข้ามาเป็นทูตตามธรรมดาราชทูตนั้นย่อมได้รับอาภายัยอันใครใครที่ไม่ควรจะฆ่านี่เป็นธรรมเนียมสืบมาแต่โบ ร, ราณ ฉะนั้นขอท่านจงฟังข้าพเจ้าเถิดเจ้าพรานจิตบุตรข้าจะเชิญพระราชบุตรเสด็จกลับถ้าเจ้ารู้ทางก็จงแจ้งให้ข้าทราบเถิดเพราะนั้นว่าลีลาในการพูดของก็ดีฟังกันต่อไปตั้งกล่าวว่าขณะที่ร้องอยู่นั้นรางตาชูชก ก, กระชูกลักขิงไข่ยไปมา ให้กากขิงเนไมยของอย่าไปกินในว่าพรานเจตบุตรเข้าใจว่านั่นคือกล่องบรรจุพระราชสารแกชูไปชูมาได้น้ำพริกน้ำเกลือขิ ง, งต่างๆสำหรับการเดินทางได้ชูร่อนบอกนี่นี่นี่นี่ของนี่ใส่พระราชสารแต่ว่าแกยิงฉันตายแล้วก็เที่ยวเป็นการฆ่าโทษ อันนี้มันไม่เป็นการสมควรเรามาดีนะท่านพระเจติโบได้ยินดั่งนั่งก็ลงเชื่อยังได้จัดแจงผู้สุนักไปแล้วแล้วก็เชิญให้ตาชูชกลงมา <c oughs> หา ก, กิงไม้ปูมอาสนะแล้วก็เชิญให้นั่งจัดอาหารเลี้ยงเป็นอย่างดีพระก็กล่าวคําปฏิสันฐานเนี่ยพระก็กล่าวคําปฏิสันฐานว่าท่านพระาม ท่านเป็นทูตแล้วท่านเ อ, อกอักกนัยทูตที่รักท่านเป็นทูตก้อนอ่อพระบรมกรงโพธิตว์ละเวทูตของกษัตริย์ผู้เป็นทีรักของเรานี่เต้าน้ำสำหรับบรรจุน้ำพึง่งนี่คือขาเนื้อใสา ย, ย่างข้าขอเป็นของกำนันแกท่านและก็ยินดีที่จะชี้แจงถึงตาแหน่งหน้าที่ประทับ ของนอกระสั์คือพระเวสสันดรท่านจะได้ทราบทางที่ไปโดยสะดวกเป็นนนว่าตอนนี้เจตบตรลงกลโชชกท่านกล่าวว่าตอนนี้จบกัรโชชก <c oughs> ต่อเทนี้ไปก็เป็นการนิหกคือการจุลพลจุลพลนี่ก็แปลว่าป่าเล็กปลาน้อย ไม่ว่าพรามณนเจตบุตรหยุดยืนอยู่ที่ปาทางแล้วกยกมือขวาขึ้นชี้พร้อมกล่าวว่านี่เนี่ยท่านพรานใครท่านพรามภูเขาคันธมาพวกเข า, ข า, เขาลูกนี้มีศิลาล้วน <c oughs> พระเวชนดนพร้อมพระธนนางมัลสีและพระราชโอรสทิดาทั้งสองประทับอยู่ที่ภูเขาลูกนี้ท่านทรงเพศเป็นพราหมณ์ นุ่งห่มหนังเสือสวมเจดดาถือเสียมสำหรับขุดหัวมันและก็ไม้ขอมีสำหรับไปสอยผลไม้ขอท่านยมบายหน้าไปตรงนี้จะถึงภูเขาลูกนี้ภายในไม่ชา้าเป็นนั้นว่าชี้ทางหรือชี้โพรงให้กระรอกให้แกล่าวกันไปมันก็เป็นเรื่องข้าบา ร, รมีขนอพระบรมมพงศ์โพธิสัตว์ <S <S ที่มีโอกาสบำเพ็ญบารมีเต็มเพื่อเป็นพระพุทธเจา้าดังนั้นกล่าวตามเจตบทกล่าวต่อไปว่าอันหนึง่งพวกเขาคณมาตนั้นมีต้นไม้หอมพิเศษอยู่สิบประการเออไม่ใช่สิบประเภทนะแล้วคําว่าสิบประการนี่ไม่ใช่สิบประเภทหรือว่าสิบชนิดคือมีต้นไม้หอมพิเศษอยู่สิบประการนี่หมายถึงต้นเดีย ว, วหรอมั้ง ต้นเดียวหอมสิบอย่างก็ไม่ใช่มันหลายต้นคือบางต้นมีรากหอมบางต้นมีเปลือกหอมบางต้นมีกิ่งหอมบางต้นมีก้านหอมบางต้นมีใบหอมบางต้นก็มีก่นและครับพี่หอมถ้าผลหอมถ้าดอกหอมไม่ใช่ต้นเดียวหอมสิบอย่าง ภูเขานี้มีต้นไม้ปิ่นหอมรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่า1ิประการ <c oughs> จริงได้ชื่อว่าภูเขาคันธมาศคันทะนี่ก็าเขาแปลว่าหอมในบริเวณอสมที่ประทับของพระเวสสันดรไม้ที่สำหรับรับประทานนั้นที่รับประทานได้เช่นมะม่วงข น, น, นุนมะขิดสมอพิเภก สมอภิเภศสมอไทยมาข้ำป้อมพุทธามาพรับมาสร้างมาสังมาเดือและองุ่นที่มีรสหวานกล้วยหอมกล้วยงาช้างกล้วยนวากล้ยวยตีดรุ่นแล้วจะมีรสหวานรวมรวงพึ่งที่ไม่มีแม่ของแหนหมายก็ไอรวงพึ่งนั้นไม่มีตัว แต่มีน้ำหวานอยู่เต็มก็ห้อยแขวนอยู่ใต้กิ่งไม้คนหยิบเอามาบริโภคได้โดยง่ายหมยว่าของอยู่ตำๆเพราะบริเวณนั้นมีอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ <c oughs> ความจริงเดิมก็อาจจะสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าอาศัยพระอินทร์ทรงใช้วิศนุกรรมเทพบุตรมาทรงนรมิตรสถานที่ให้บินหน้าที่น่ารื่นรม เนี่อทรงให้ิรมิตรต้นไม้ที่มีผลคือมีประโยชน์ในการเลี้ยงตัวได้แต่หลอดเจ้าน้นความสวยงามความสดชื่นของกลิ่นนี่เป็นเรื่องราวของคนที่มีบุญขึ้ปรารถนาพุทธ ภ, ภูมิแล้วก็เจตบุตก็พนาต่อไปและในบริเวณที่ไม่ไกลนักจากอามสถาน มีสระน้ำสีเลี่ยมกว้างใหญ่พอประมาณนี่เป็นสระน้ำที่วิศนุกรรมเทพหมดนิรมิขึนมีน้ำเย็นใสสะอาดดารดาดาไปดูดอกปฐมธรรมชาติหลายอย่างมีนกกาเวหวมาจับอิงไม้ใกล้กับขอบสระมีรถดอก ม, มีมีรถดอกไม้ส่งเสียงอะไรเนี่ย ไม้ความมีนกกระววามาจับกิ่งไม้ที่ใกล้ขอบสะคือมาถึงแล้วก็เมารถดอกไม้แล้วก็ส่งเสียงจ้าเพร่อจับใจพอถึงแล้นดูดอกไม้บานเจสนดอกไม้ ก, ก็ร่วงหล่นมาบนใบบัวมีรสหวานให้เกิดขันทศกรคือขันทศกรนี่เป็นของหวานซึ่งมากที่เด็กเขาเรียกว่าดีน้ำตาล ลมที่พัดมาจะพาละหมายว่าลมที่พัดมาน่จะพาละอองเกสรโตยปลายไปทั่วบริเวณมแมลงผู้ก็บินว่อนบรรเลีเสียงหึ่งๆอยู่ใ้รอบเราวิหกนกป่าพายกันส่งเสียงขานรับกัน ง, งมไพรบางก็จับคู่ทูชมรอดพร่ำกันอย่างล่เรินใจ ทำให้บริเวณอสมนฐานควรักการเปที่รื่นรมอย่างยิ่งทุวีทุกวันนี่เป็นการพันนาของพระเจตบทน้ำพานเจตบรเป็นนั้นว่าชูชกได้ฟังคำพรรณาอย่างเพลินใจพอได้สติ <c oughs> จิงนี้กล่าวขึ้ว่าขอบคุณท่านพ ร, นพรั้งรเออ ข้าก็ก็ข้าวสัต ข, ข้าวตูผงและคนที่ได้นําพึ่งและข้าตูก้อนที่หวานอร่อยที่นาไม่ตนดามเมียของลุงจัดให้มานั้นลุงข้อมแบ่งปันให้เจ้าไว้บ้างจงรับเอาไว้กินเถิดที่เป็นว่าแกได้ของดีไปแล้วที่เนื้อกุงเนื้อเกง่ง ม, มีของที่ดีกว่าแกก็แบ่งข้าตูไปให้ ฝ่ายพระนจะแต่บทจะเนี่อนอบอกว่าอย่าเลยท่านพรานที่รักข้าวาเจ้าน่ะมีอขดมสมบูรณ์บริบูรณ์ของลุงยงรับน้ำขอให้ลุงยงรักน้าพึ่งกับขาเนื้อทายนะแอบขานื้อทายเอาไว้เป็นสเสบียงเดินทางไปเถิดขาเนื้อสายย่างนะแล้วก็เวลาจะไปก็บ่ายหน้าไปทางนี้นะ ถ้าเดินทางไปทางนี้ก็มีทางเดียวจะเดินตรงดิ่งไปถึงอาศรมข้าจุดเตรสีโดยช่วงระหว่างทางจะมีก่อนที่จะถึงเขาองกตจะมีท่านเตรสีองคหนึ่งตั้งอาศรมอยู่ชื่อว่าจุดเตรสีเมื่อดุ่พราหมณ์ไปถึงอาศรมของท่านแล้วจงเข้าสนันาวิสาสะกับท่านแล้วท่านก็กจะได้ชี้ทางเดินต่อไปอ <c oughs> ตอนนี้ยึงกล่าวว่าชูชกดีใจมากนะที่ได้ลาบแล้วก็ทำไปท้าวศิลปาราําลาพรานไทรไปแล้วก็บ่ายหน้าตรงไปทางทิศที่ยังจะไปอาสงข้อจุตรฤษีเป็นนะว่ากันจุนลพลก็จบไปตอนนี้ขึ้นกันมาหาผลเป็นกันที่เจ็ด่ำหรับการชูชกไดเดินทางไปตาม ที่เจตบุตบอกก็บรรลุมัรลุถึงสมอาสมข้าจตุรสีแก่จิงแวะเข้าไปสนทน า, น, นาปราศัยโดยสุภาพท่านจุชกีินีกล่าวว่าท่านดาบผู้เจริญท่านมีความสุขสบายดีอยู่หรือผลปราหารในป่านนี้อุดมสมบูรณ์ไหม โรคภัยอันตรายใดๆทางสัตว์ร้ายในป่าก็คงจะไม่มารบกวนพระคุณท่านกระมังครับพูดดีสำหรับท่านฤาษีจะได้ตอบว่า น, นี่ท่านพรานฉันน่าสบายดีทุกอย่างคนมาแรากไม้ในที่นี้ก็อุดมสมบูรณ์ป่านี้ไม่มีอันตรายใดๆทั้งเหลือบยุงบุ่งรินร้าน แลอดจน า, าทั้งผ่านละเมลข่าไม้ความเนื้อใสแล้วก็ดีสัตว์ร้ายก็ดีก็ไม่มารบกวนเราอยู่ในความปกติมีความสุขที่นี่มานานแล้วครานเรียกว่าฉันอยู่ที่นี่มานานมีแต่ความสุขมันไม่มีความทุกข์ความจริงอยู่ป่ามันก็เป็นอย่างนั้น พาในป่ามีได้ความมีเวกวงเวงนี่ีด้มีได้ความสุกกายสุขใจไม่มีทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเป็นนั้นว่าท่านเจท่านปาอ จ, จุตรศีก็กล่าวต่อไปว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเออแล้วก็นี่ท่านมาอย่างไรล่ะแล้วก็ท่านจะไปไหนกัน จึงได้ดันดุลมาจนถึงสำนักของเรานับว่าเป็นศีสวัสดีกับเรามากเพราะว่าในที่นี้ในยากที่บุคคลเองจะเข้ามาถึงเชิญท่านเข้ามาข้างในนี้เถิดเราจะขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีน้ำท่าที่นี่ก็มีบริบูรณ์เชิญท่านชำระมือชำระเท้าอาบน้ำและฉันน้ำตามประสงค์ เราตักมาจากหุบหย้ยระหารอันสะอาดผลไม้ก็ยังมีอยู่ไม่ขาดและก็มากมายเชิญบอกรามตามสมบายเดี๋ยวเถิดเชิญเชิญเชิญเข้ามาได้ เ, <c oughs> เป็ น, น้นว่าจูช ก, กใจร้ายคือคนร้ายที่ก็โชคดีต่อมาท่านชูชกที่นี่กล่าวว่าข้าแต่ระรุสี ความมารีของท่านนี่เป็นประคุณอย่างยิ่งพระเจ้าดัานด้นเข้ามาถึงก็ดีความมีความมีความปรารถนาจะไปยังสำนักของพระเวสสันดรซึ่งดั้นท่านในพระพราจากรมาชานานกิดว่าท่านทราบสถานที่ประทับก็ขอได้โปรดแจ้งให้พระเจ้าทราบหน่อยเถิดเจ้าข้า <c oughs> อันนี้เป็นลีลาที่ดีฟังให้ดีนะก็พูดกันเพราะเพราะปรีทาบทันทีว่าทราบได้ทันทีคิดว่าเจ้านี่น่ากลัวจะมาลกคณพระเวสสันดรเสียแล้วเ <c oughs> ท่านันดน้นทนเขามานี่ก็ต้องการจะขออย่างใดอย่างหนึ่งท่านจินตวาตไปว่าไม่น้อยนะไอ้ความถอย จงบอกมาสิทดีว่ามึงนี้มาตามพระเวสสันดรเพื่อจะขออะไรจะมารบกวนพระเวสสันดอนอี่คือตั้งแต่องค์พระเวสสันดรจากพนครมาก็หาได้มีสักสิ่งใดติดองค์มาแม้แต่น้อยนอกจากลูกกับเมียมึงนี่มันสินดาเป็นคนสินดาเสียเนี่ย มึงนี่สันดานเสียสิ็ธจนไม่เลือกนาจงบอกมาดีๆนี่ว่ามึงจะขอพระนามาสีหรือขอพระราชโอรสหรือจะขอพระราชธิดานี่ฤๅศีชชคโมโห <c oughs> ตอนนี้ฤอสีชชกโมโหท่านชูชกเป็นคนดีมีลีลานชานฉลาด เห็นท่านเดือสีตวัดเช่นนั้นก็จะ ต, ตอบด้วยคำหวานว่าชาก่อนชาก่อนพระคุณเจ้าข้าข้าแต่พระอาจารย์ผู้เคารพผู้น่าเคารพท่านพระอาจารย์เป็นผู้ทรงเมตตาจิตตามธรรมดารังสิธิฤษีย่อมประกอบบริพรมีหารสีมีเมตตาเป็นที่ตั้ง ขอพระเจ้าอย่าพึ่งโกรธง่ายๆอย่าทําอย่างนั้นเลยพระคุณเจ้าข้าที่กระผมมานี่ความจริงนะไม่ได้มีจิตคิดมันจะมาขอทานอย่างที่พระเจ้าคิดแล้วพระเจ้าค้าเพราะว่าการมาหาในเพราะการที่คนกระหาเพราะว่าการที่มาขอทานน่ะเป็นที่คนยติทินินทาแล้วก็เสียประเพณีของพราหมณ์ แต่วันที่ข้าพเจ้ามานี้มีอุดมคติอยู่ว่าการคบหานะการพบคบคนดีมีแต่ความสุขการอยู่ร่วม ก, กันกับคนไม่ดีมีแต่ความทุกข์แต่การคบคนดีนี้ไม่มีโทษมีความสุขตลอดเวลาแต่ทว่าแต่ทว่าจะได้รับประโยชน์จากความเจริญ หมายความว่าการคบคนดีน จ, ะจะได้รับแต่ประโยชน์ความเจริญทุกเวลาตั้งแต่วเวสันดรเสด็จมานี่ข้ายังไม่ได้พบเห็นพระของพระองค์งเอ๋พระองค์งเลยให้รู้สกกึกนึกนึกถึงเป็นอย่างยิ่งการที่มาที่นี่กระนัว่าได้พบท่านบ้างจะขอได้พบท่านบ้างเพื่อจะได้เป็นทางแห่งความสุขสวัสดี พี่ว่าพราะคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับก็ขอจงเอื้อเฟื้อเอ็นดูแก่ข้าพเจ้าขอได้ถือว่าพราะคุณเจ้าเอาบุญกับควานาถาเถิดพระเจ้าค่ะท่านไอจุตเรศีได้ฟังดังนั้นก็สําคัญว่าเป็นความจริงจึงหลงเชื่อแล้ว ก, กล่าวว่าถ้าก็นั้นก็ดีแล้วเป็นความดีของท่าน แต่ได้ ว, ว่าวันทุ่งนี้เถอเราจะชี้ทางให้วันนี้จึงยหยุดพักผ่อนหย่อนใจบริโภคผลไม้ซะสบายก่อนอย่ารีบดวนเดินทางไปเร็วไปเลย <c oughs> นี่เป็นอันว่าเขาถือว่าการพูดดีเป็นสีกับตัวนะปากนี่เป็นมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะ ปากดีที่อย่างอย่างบรรดาทูทตางหลายดูตัวอย่างชูชกความจริงชูชกเป็นคนเลวแล่ก็มีลีลาใช้ปากดีรูปร่างหน้าตานี้ก็น่าเกลียดน่ากลัวแต่ความชั่วทั้งร่างกายนี้ปากรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเขอบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> จงคิดว่าที่องค์สมเด็จพระจีนสีบรมัสสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ระวังวาจาคือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียดยุเอใหเขาแตกรล่ากันแล้วก็สี่ใช่เฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาใดที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่กล่าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า บุคคล น, นั้นเป็นผู้มีปากหอมคำว่าปากหอมก็หมายความว่าเสียงเป็นที่จับใจของคนพูดออกไปเไมื่ลัยเป็นที่ชอบใจของคนมานั้นตอนนี้ก็มาคุยกันต่อไ ป, ป ร, รุ่งช้าพรสษีที่พาตาชวชกมายืนอยู่ที่หน้าต้นทางพลางก็ยกมือชี้แนวไคร โดยในที่กล่าวมาแล้วในจุลค น, นแต่ก็มีความพิษสดานขยายออกไปอีกนอกจากจะกล่าวถึงภูเขาคดมาศแล้วก็ยังได้บอกภูเขาอันชื่อว่าอันชนะและก็ต้นไม้สะน้ำแล้วก็ยังกล่าวถึงปาลาและสัตว์ไว้ในอาได้กล่าวถึงปาลาและสัตว์ปลาไว้หน้าฟังอีกด้วย แต่ว่าการพัฒ น, นาตอนนี้น้องเสียถ้าไม่ได้พั น, นาไว้เงื่อแท้ในบาลีนี่กล่าวไว้เยอะกล่าวไว้น้าชมฟังแล้วก็เคลินมันน่าอยู่ป่านี่พระทุนตรงที่อยู่ป่านะี่ถ้ามีความเรื่อนเรองบันเทิงใจ <c oughs> ปลาศกจากคนแต่ก็มีต้นไม้ไม่มีหญิงไม่มีชายแต่ก็มีสัตว์ป่าน่าชม ใน็นแ้วความเงียบสงัดในป่าจักว่จะเป็นกายวิเวกเมื่อไม่มีคนเข้ามายุ่งด้วยจิตมันก็วิเวกคือจิตสงัดเมื่อจิตสงัดแล้วก็เป็นอุปธิวิเวกคือกิเลสสงัดรวมความว่าในป่าปราศจากตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ <c oughs> ในป่ามีแต่ใดหนึ่งความสุขคือการเสียสละทั้งหมด ทันั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจริงนิยมป่าเล่ากันต่อไปว่าถ้าจะเช่าดชกเลยฟังคำพนาทั้งป่าใหญ่จบลงได้ความยินดีคิดว่าคราวนี้เราเดินไม่หลงทางแน่แล้วจริงจริงธรรมบทักษสิงคือการเดินเวียนข้างขวาเป็นการสแสดงความเคารพทนศสี แล้วก็บ่ายหน้าตรงไปทางทิศทางที่ท่านชี้ด้วยความมีใจกระหายที่จะได้พบพระเวสสันดรมองนูเวลาเลยสองนาทีเศษเป็นว่าตอนนี้ท่านบอกว่าจบ ก, กันมหาผลตอนนี้ก็ขึ้นกันกุ ม, มารเมื่อแต่เท่าชูชกบุ่งหน้าเดินต่อไปตามทางที่จุดเตอ็สีบอก มีความหวังตั้งใจมั่นที่ได้สองกุมารมาเป็นทาสรับใช้จนตราบเท่าถึงขอบสาปกรณีสี่เหลี่ยมจตุรัสบริมบริเวณพระอาสมขณะนั้นเป็นเวลาใกล้คำ่ำแกยังหยุดคิดริดหนึ่งว่าวันนี้เย็นมากแล้ว เมื่อนางมัตสีคนจะกลับจากป่ามาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วเราควรจะเราไม่ควรจะดวนเข้าไปเพราะว่าตามธรรมดาสตรีย่อมมีนิสัยตะหนีเหนียวแน่น <c oughs> ตามธรรมดาสตรีต้องมีไส้ตหนีเหนียวแน่นและมักจะขัดขวางฝังการบริจาคทานถ้ากรณนั้นวันพรุ่งนี้เมื่อนามัตสีเข้าป่าหาผลไม้ เราจริงจะเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลทูลขอสองกุมารใช่ไแฉลาดพอแล้วก็ช่วยโอกาสพาสองกุมารหนี้ดยบายเช่นนี้จริงจะสาเร็จสมความปรารถนาอาัลบรรดาท่านพุทธบริษัตทั้งหลายโดยทุ่นนานวันนี้เป็นจุดดำริของตาชูชกเจนว่าว่าคนที่เป็นขอทานน่ะ ขอท่านหลายจงอย่าประมาทคิดว่าขอทานเป็นคนโง่ความจริงขอทานในหากินเนียว่าจาไม่มีการลงทนฉะนั้นถ้าใครงโง่ก็หาทานขอทางกินไม่ได้นี่ยยังต้องคิดว่าขอทานนี่ที่เลี้ยงตนได้ต้องเป็นคนฉลาดในรายการหนึ่งนะเห็นว่าหนิงข่าวอยส่เสมอว่าขอทานบางคนมีเงินนับแสน ขอทานบางคนมีเงินนับล้านนั่ น, สนแสดงว่าขอทานนี้คุณจะสร้างบนพิเศษมาแต่ว่าเขาจะสร้างมาแบบไหนก็ไปเรื่องของเขาเรื่องของเราจบดีกว่าเพราะว่าเวลานี้ก็ปรากฏว่าเวลาหมดเสร็จแล้วปรญญาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลานาฬิกาหมดเวลาหมดพอดี ฉะนั้นยังขออำลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินทร์ศรีกลับไปก่อนในวันหลังพบกันใหม่เขาความสุขสวัสดพีพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่ บ, บรรดาแต่พุทธาสาวชนิกชนทั้งหลายทุกท่านสวัสดี